เพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุดเสาระเนียดเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุดเสาระเนียด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 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนวาตสูตรที่หนึ่งจบข้อ 277-300 ถึงพึงเพิ่มสูตรอีก24สูตรเข้ามาให้เต็มเหมือนในทุติยวักสุขัดทุกขีสูตรที่25จบ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 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วหยุดจบพรหมจร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอทุกคมสุขขีสูตรที่26จบในวักก่อนมีการตอบปัญหา18ข้อพึงขยายพระสูตร26สูตรในทุติยะคมนะวักให้พิสดาร พึงขยายพระสูตร26สูตรในตติยะคามนาวักให้พิสดารพึงขยายพระสูตรยี่สูตรในจตุทถคามนาวักให้พิสดารทิฏฐิสังยุตจบ